มาลีภูตวัคสิกขาบท 10 ว่าด้วยการบวชให้ศิกขมานา มาบรรดาบิดาบ้างสามีบ้างตําหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนแม่เจ้าโทลนันทาจึงบวชให้สิกขมานาที่พวกเรา ครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้ง สามีบ้างยังไม่ได้อนุญาตจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูล แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีที่มารดาบิดาหรือสามียังไม่ได้อนุญาตต้องอาบัติปาจิตตีย์ว่า ชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ คำว่าบวชให้คืออุปสมบทให้ภิกษุณีตั้งใจว่า คือ 1 ภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณีต้นบัญญัติ 10 จบ 8 กุมารีภูตวัคสิกขาบทที่ 11 ว่า สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่อยู่ พระกตมรคติสสะพระขันธเทวีบุตรและพระสมุททัตตะให้ประชุมกันบวชให้สิกขมานาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากัน จึงประชุมสงฆ์บัญญัติสคาบตลำดับนั้นพระผู้มี จึงบวชให้สิกขมานาด้วยปริวาสกชันทะเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้มิได้ทํา เรื่องจบสิกขาบทวิภังคำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระ ที่ชื่อว่าสิกขมานาได้แก่สมณเริ 6 ข้อ 2 ปีคําว่าบวชให้คืออุปสมบทให้ภิกษุณีตั้งใจ 2 ครั้งต้อง ภิกษุณีผู้เป็นอุปัชฌาย์ต้องอาบัติปาจิตตีย์คณะและอาจารย์ต้องอาบัติทุกกฏอนาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือภิกษุณีผู้บวชให้เมื่อ เรื่องพิสุนีหลายรูปภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตําหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพา ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีบวชให้ศุกรรมนาทุกๆปีจริงหรือภิกษุทั้ง <Rey> แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดบวชให้ชะกะมานาทุกๆปีต้อง นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอ่ยว่าภิกษุณีในความหมายนี้ จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายคือ 1 ภิกษุณี 1, 1 ปี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีต้น 12 จบ 8 อุมาลีภูตวัค ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาปีละ 2 รูปเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตําหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากัน ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีบวชให้หรือภิกษุทั้ง แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณี นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่า จบกัมมวาจาครั้งสุดอนาปัตติวาระภิกษุณีคือ 1 าย, ป า, ปะะกกป 1, 1 ปีบวชให้สิกขมานารูป 13 จบปุมารี โตปาหณวรรคหมวดว่าด้วยร่มและรอง 1 ว่าด้วยภิกษุณีผู้ไม่เป็นไคลกั้นร่ม ฉไหนพวกภิกษุณีจึงกั้นรองเท้าเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเหล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตําหนิประณามโพนธนาแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอก ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศึกษาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับ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 สมัยนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นไข้ขาดร่ม อนึ่งภิกษุณีใดผู้ไม่เป็นไคล่กั้นร่มและจบสิกขาบทวิภังคำว่าอนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้ ที่ชื่อว่าผู้คือผู้ที่ บทภาชณีติกขาปาจิตติไม่เป็นไคลภิกษุณีสําคัญว่าไม่เป็นไคลกั้นร่มและ เป็นค่ายภิกษุณีสําคัญว่าไม่เป็นไข้คันร่มและสวมรองเท้าวาระภิกษุณี 1 ภิกษุณี <SCP> 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีผู้ <planning S 3> 4 ภิกษุณีวิคนจริต 5 ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบท 1 จบ 9 ฉัตโตปาหณาวรรคสิกขาบท 2 ว่าด้วยการเดินทางด้วยยาน คนทั้งหลายตําหนิประณามโพนธนาว่าไฉนพวกภิกษุนิฉัปผคีจึงโดยสารญาณไปเหมือนครั้น พวกภิกษุ ฉะนั้นพวกภิกษุณีฉัพพคีจึงโดยสาร เรื่องภิกษุณีฉัพพคีจกเรื่องภิกษุณีเป็นไข้สมัยนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นไข้ไม่สามารถจะเดินเท้า อ1 ภิกษุณีใดผู้ไม่จบสิกขาบทวิภังคําว่าอ1 ใดคือผู้ใดผู้ ที่ชื่อว่าผู้ไม่คือผู้สามารถเดินคือผู้ไม่สามารถเดินเท้าไปได้ที่รถคุเวนหามแคร่เปรหามคําว่าโดยสารไปคือไปด้วยญาณแม้ ไม่เป็นค่ายภิกษุณีไม่แน่ ภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุณีผู้ 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณีต้น 2 จบ 9 จตุปาหณวรรคสิกขาบท 3 ว่าด้วย 1 สมัย อารามของอนาถาปินิกขะเศรษฐีเขครองสาวถีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นภิกษุณีประจํา เมื่อได้ขาดเครื่องประดับเอวตกร่วงว่าไฉนพวกเหมือนเครื่องหัดเครื่องประดับเอวเหล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไป ภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลว่าภิกษุ ฉะนั้นภิกษุณีจึงใช้เครื่องประดับเอวแล้วภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้มิได้ทํา คำว่าก็ได้คือผู้ใดผู้เช่นใด ภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1, 1. ภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีต้น 3 จบข้าวจตุปาหณหวัคสิกขา 4 ว่าด้วยการ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจดวันอารามของอนาถปินิกะเศรษฐีเขกรุง บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามโพนทนาว่าไฉนพวกภิกษุณีจึงใช้เครื่องประดับของสตรีเหล่าครั้นแล้วภิกษุณี ภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีฉัพพคีใช้ แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งจบสิกขาบทวิภังค์คําว่าก็ใดคือ นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่า 1 ภิกษุณีใช้ 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีต้น 4 จบ 9 จตุปาหณวรรคสิกขาบท 5 ว่าด้วย สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวก บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามโพนทนาว่าไฉนพวกภิกษุณี ทรงว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุเนฌัปขิสงฆ์สนาด้วยของหอมและเครื่องย้อมผิวจริงหรือภิกษุทั้งหลาย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 คำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเครื่องย้อมผิวได้แก่ อนาปฏิวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่คือ 1, อน 1. ภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีต้น 5 จบ